เหตุไรบางคนไม่สนใจกับทางพระพุทธศาสนาแล้วอย่างอื่นจึงไม่สนใจอันหนึ่งมีอยู่บ้างเหมือนกันที่บุคคลบางประเภทเมื่อหันมาสนใจทางพระพุทธศาสนาแล้วอย่างอื่นเลิกสนใจถ้าหากว่าใครจะเป็นอย่างนี้ก็มีสาเหตุเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้คือ 1. เป็นเพราะสมองจำกัดศึกษาอะไรมากๆไม่ได้ ในเมื่อรู้สึกว่าวิชาของพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่สำคัญยิ่งจึงได้ทุ่มเทใช้วเวลาส่วนมากหรือเกือบจะทั้งหมดมาสนใจในด้านนี้ด้านเดียวในเมื่อเขาไม่มีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดำรงชีพหรือความรับผิดชอบที่จะต้องไปทำงานอย่างอื่นหรือไปสนใจอย่างอื่น 2. เป็นเพราะต้องการใช้เวลาสนใจอยู่ทางพระพุทธศาสนาให้บรรลุ ถ, ถึงความสาเร็จเสียก่อน และจึงจะหันไปสนใจในด้านอื่นไม่ใช่เป็นเพราะเขามีสมองจำกัดแต่เขามีเวลาจำกัดซึ่งบุคคลประเภทนี้เมื่อเรียนทางพระพุทธศาสนาได้ผลแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนวิชาอะไรก็ได้ถ้าหากเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือจำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ในการประกอบการงานฉะนั้นถ้าเราเห็นใครขมกมุ่นอยู่แต่ในทางศาสนาเราก็ต้องพยายามพิจารณาดูให้ดีว่า เป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นเพราะเขามีสมองจำกัดหรือเป็นเพราะเขามีเวลาจำกัด 3. อุคคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกันมากที่สุดคือสันดานเดิมเป็นคนขี้เกียจมีความกดดันทางอารมณ์มากเวลาศึกษาทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยได้ผลคือจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ความเข้าใจก็มีน้อยนั่งสมาธิก็ไม่ได้ บุคคลประเภทนี้มักจะใช้ข้ออ้างที่ว่าตนหันมาในทางนี้แล้วจึงไม่อยากจะสนใจอะไรอย่างอื่นชาวพุทธโดยทั่วไปที่เข้าวัดถือศีลฟังเทศและทำบุญกันตามประเพณีต่างๆโดยมากอยู่ในประเภทที่สามนี้และจากบุคคลในกลุ่มนี้แหละที่มักทำให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้หวังดีต่อประเทศชาติต้องการที่จะให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าทาให้เขาเห็นว่า พระพุทธศาสนาไม่อาจจะนำมาพัฒนาประเทศได้เพราะเข้าสังเกตเห็นว่าคนไหนถ้าลงว่าเข้าวัดแล้วก็มักจะกลายเป็นคนที่ไม่เอาอะไรไม่สนใจต่อความเจริญของโลกไม่สนใจต่อสวัสดิการต่างๆของสังคมซึ่งอันที่จริงแล้วตรงกันข้ามเลยคือคนที่เข้าใจถึงพระพุทธศาสนาจริงๆจะกลายเป็นบุคคลที่สนใจต่อการก้าวหน้าของสังคมและมักจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะอุทิศตัวให้กับสังคม ถ้าหากเขาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาได้ผลดีจริงๆ